พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบหาลำดับที่18โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าวิจัยการภาวนาพุทโธ วันในกูบาไม่มาฉันจังหันสิบรูปนะวันนี้พระสามสบเก้าสมณหนึ่งไม่ลงมาฉันสิบรูปวันนี้นันวันนี้เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพห้ารอยห้าสิกอีกไม่กี่วันวันปรวรณาออกพรรษาวันที่สิบเก้า ตุลาคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกระถินของเราวันที่27กระถินมัดป่านาคำน้อยะนั้นฝ่ายพระสงฆ์ก็ขอให้เตรียมพร้อมทุกองค์พระนว ก, กะที่ยังไม่เคยผ่านพรรษาก็ให้เตรียมเรียนคำประวารณาเอาไว้อย่าให้ขาดตกบกพร่อง นี่เป็นเดือนออกพรรษาแล้วนะเป็นวันที่หนึ่งตุลาห้าหกวันนี้แล้วก็เป็นวันฝนตกอีกต่างหากวันนี้ตามไม่จริงเดือนตุลารู้รสึกว่าฝนจะร่อยหลอนะแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ไมร่รู้ฝนยังตกอยู่เนี่ยทินฟ้าอากาศเมื่อวาน อยากจะเรียงลำดับให้คณะสัายาติโยมลูกหลานพระเนนเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อการเรียนรู้คือบางครั้งสัายาติโยมฝ่ายพระสงฆ์ได้มาถามปัญหาหรือว่าถามแนวความคิดหลวงพ่อที่เป็นเจ้าสำนักแห่งนี้เขาก็ เดี๋ยวนี้เขาก็ว่าหลวงพ่อถ้เป็นพระที่ทงางฝ่ายกรรมฐานเขาว่าแนวหน้าพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงหน้าจริงๆแนวหน้าเขาก็ถามถามปัญหาเมื่อวานก็มีกลุ่มหนึ่งก็น่าศึกษาน่าจะบอกกล่าวให้กับคณะสัทธ า, ญญาติษฐาลูกหลานได้ รับรู้รับทราบแต่ตามจริงก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรหทรักเปียนแต่ว่าแนวความคิดแนวความคิดเรีว่ามาถามแล้วเขาก็จะนําไปเป็นแนวทางเขียนหรือว่าแนวทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักศึกษาฝ่ายพระสงฆ์คือเขาจะเรียนปริญญาเอก จะเป็นวิทยานิพนธ์เป็นวิทยานิพนธ์วยพระพุทธศาสนาแต่เขาเลือกเอาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการภาวนาพุทโธนะีอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่ที่หลวงพ่อจะได้บอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ทราบวิทยานิพนธ์ของเขาไม่ใช่สายป่าปีก่อนๆเขาว่าเนีสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่น การอยู่ป่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือวิทยานิพนธ์เขาตรวจศึกษาแต่ครั้งนี้จะเป็นฝ่ายพระเขามาศึกษามีพระมาะสองรูปเมื่อวานก็จะมาผมจะเรียนปริญญาเอกแต่ก็จะเอาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการภาวนาพุโทโธเพราะว่าการภาวนาพุโทโธหรือการทำกรรมฐานในประเทศไทย ก็มีหลายสาขามีหลายแนวทางแล้วก็เนี่ยอยากจะศึกษาภาวนาพุทโธสายหลวงปู่มั่นเนี่ยทำยังไงวิธีการขั้นตอนทำยังไงและจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นคืออะไรเนี่ ย, ยคือเขาเจะถามแต่เขาก็บอกว่าวันนี้มา5วัดแล้ววัดหลวงปู่ไทยวัดสายหลวงปู่ชา แต่วัดนี่เป็นวัดที่ห้าที่จะมาถามหลวงพ่อก็เขาก็ถามว่าแนวแถวของการภาวนาพุโทโธเนี่ยผงพ่อ พ, อ, พ, อ, พอจะทราบไหมว่าเป็นยังไงหลวงพ่ อ, อทราบแต่ว่าต้นตอจริงๆก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพุโทโธผู้รู้ผู้เบิกบาน ครูบาอาจารย์ถ้าก่อนแนะนําสั่งสอนอย่างนั้นพุทโธคือใจใจผู้รู้ผู้เบิกบานนั่นแหละคือพุทโธแต่ว่าพุทธศาสน า, าจุดนี้เป็นมาอย่างไรเราก็ทราบตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลที่พวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านเรียนมาจากไหนอันนั้นไม่ทราบ ต้องมีครูบาอาจารย์ของท่านอีกเพราะว่ า, าทำอะไร ก, ก็ต้องเรียนตามพ่อก่อตามครูมาทั้งนั้นแหละพอหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายมหาทั้งสมัยนั้นก็นกนคือเจ้าคุณอรยะเวทีมหามหาเสงน์ปุตโศเสง์ต่อมาก็หลวงตามหาบัวขกเขียน แนวทางของหลวงปู่มั่นแต่เอาเถอะหลวงปู่มั่นกับแนวทางพระพุทธศาสนาอันดับแรกก็คืออยากจะเรียนให้ทราบซะก่อนว่าแนวทางคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านทํำยังไงแต่ก็ไม่ไม่เท่าความมากเท้าความาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วันเดือน6กเพนวันเดือนหกเพนที่พุทธคยา พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในคืนวันนั้นท่านทําอย่างไรอันนี้คือเอายกประเด็นหลักซะก่อนคือประเด็นพระพุทธเจ้าซะก่อนจากนั้นยังค่อยมาพูดเกี่ยวกับหลวงภาวนาพุทโธแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดรู้ในวันนั้นท่านทําอย่างไรวันเดือนหกเพนในเย็นวันนั้นนายโสธิยะไปเกี่ยวย่าคา หาบยาคาเดินผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นโพที่เง่าต้นโพนายโสธิยะก็เลย น, นายาคา8กดกำมือเข้าไปถาไวายสิทธัตถะสิทธัตถะท่านก็ได้รับยาคาจากนายโสธิยะคงจะเห็นถูกเคารบเลื่อมใสชะตามองเห็นกันก่อนนั่นแหละเกิดความเคารพเลื่อมใสนับถื อ, อ, อนายโสธิยะกะ็นำยาคาเข้าไปมอบให้ สิทธัตถะได้ยาคา8ปดกำมือแล้วก็มาเกลีย่ยลงที่โคนต้นโพหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกจากนั้นพอเกลี่ยยาคาคือสลับหัวสลับท้ายน่ยยาคามันเกิดอย่างที่พวกเราท่านทั้ ง, งหลายเห็นสีก่กำมือข้างและสีก่กำมือสลับกันเสร็จแล้วสิทธัตถะจะขึ้นไปนั่งนั่งบนยาคาทําเป็นบรรลังหรือทําเป็นอาสนะ เมื่อเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งพอนั่งเสร็จแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อพระไทยใจของพระองค์ไม่ออกไปทางอื่นจิตใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศน์เกิดฌาน พอเกิดชานเกิดยาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วพระองค์น้อมจิตใจของพระองค์ล้ำลึกชาติผลหลังได้อันนี้เรียกว่าวปุกเพในวาสานุสติญาณในตอนหัวค่ำคือมองพระองค์เองข้ามาจากไหนเรามาจากไหนมาอยู่ที่นี่ได้พระองค์ก็ย้อนย้อ น, ย, อนย้อนดูอดีตแต่ชาติของพระองค์คืออดีตคือเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนพบก่อนชาติก่อนอันนี้เราอดีตชาติ ปุกเพในวาสานุสติยานพอถึงเที่ยงคืนพระองค์มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นมาอย่างไรท่านก็มองเห็นมองว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตยานเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาอีกมองดูสรรพสัตว์ในโลก ใ, ในตุ ต, ตูปะ ป, ะปะตาตยานการจติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทาไมมาเกิดด้วยอันใดมาที่นี่ทำไมคนไม่เหมือนกัน คนดีคนเลวคนสวยคนขี้เล่คนบ้าคนดีคนมีปัญญาคนโง่มีครบในมวลมนุษย์ชาติเป็นมาด้วยเหตุอันใดทําไมไม่เหมือนกันทั้งที่ออกมาจากท้องพ่อแม่เดียวกันทําไมไม่เหมือนกันเพราะกรรมพระตรงบอกมองดูเป็นกรรมแต่ละคนต้องมีกรรมกรรมคือการกระทําถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีนะ่าจะตามสนอง ถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองอดีตกรรมแต่ปัจจุบันนกรรมในเก็เถอะถ้าใครไปทําความชั่วไปป้นไปจีไปขโมยไปทําผิดกฎหมายเขาก็ต้องเอาไปเล่นงานเข้าไปขังไว้ในคุกอีกเหมือนกันเพราะทํากรรมชั่วแต่กรรมชั่วจะนี่มันส่งผลในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่า เมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลติดตามไปอต่อไปภายหลังไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ได้รู้ธรรมว่าจุตูปปาตญาณในเวลาเที่ยงคืนแต่พอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ดูว่าใจดวงนี้ที่มันมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดมาจากไหนพระองค์ก็ย้อนดูถิด ย้อนสอนดูพระไทยคือใจของพค์มันมาจากไหนใจตรงนี้จะมาเวียนไหยตายเกิดย้อนย้อนย้อนกลับไปไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างขาระสร้างขาราปัจจยาวิญญางวิญญาณปัจจยานามารูปังนามารูปัสรายตนะพัสธะเวทนาตันหาพบชาติชาลามรณะโสกะปริเทวทุกโทมณสุคือที่พวกเรา ร้องผมร้องให้พิไรธรรมพันพันมาจากพบมาจากชาติไล่เลียงลงไปแล้วมาจากอวิชชาคือตัวไม่รู้มาจากความโง่ปัญญาณนี่เกิดมาจากความโง่ถึงที่นั่นเมื่อออกจากความโง่แล้วนี่ยก่อพกขอชาติกิเลสเป็นผู้พานากิเลสราคะโทสะโมหันํากิเลสตรงนั้นนำใจตรงนี้มาเกิดล้มลุกคุกคลานไป้วยาบางทีก็ ใช้กรรมด้วยโทสะบางทีก็ใช้กรรมด้วยโมร า, าคะบางทีก็ใช้กรรมด้วยโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมานี่แหละกิเลสโลภโกรดหลงนี่แหละลาคะโทสะโมหะเล่นงาน เ, าเป็นเครื่องพานําจิตใจตรงนี้ล้มลุกคุกคลานาไปเรื่อยๆแต่นี้พอมาถึงพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วนะใจตรงนีเ้เป็นมาด้วยกิเลสกิเลสพา น, นํามาเาวียนไหวตายเกิด พระ อ, องค์จึงใช้ตปะธรรมเออสินสมาธิปัญญาตปรธรรมคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นคือมรรคแนี่สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเนีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารคืออันสุดท้ายคือในมรรคแนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ม 8, รรคแดตปะธรรมคือเผากิเลสให้มันหลุดออกไปจากพระไถยใจของพระองค์ให้ใจเป็นอิสระให้ใจเป็นไทย เมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะโลกกฎหลงออกจากใจแล้วใจอันนั้นก็เป็นอิสระเป็นไทยเป็นอีกมิติหนึ่งกิเลสไม่เข้ามารบ ก, กวนนีวัดนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนย์อย่างศูนอะไรนิพพานน์ศูนย์กิเลสเชื้อจะทำให้เกิดเปลี่ยนไหตายเกิดศูนย์หมดแล้วแปลว่าไม่สามารถที่จะมา บ่งการกับจิตวิญญาณได้แล้วไม่สามารถที่จะมาบ่งบอกถึงความเริสุทธิ์จุดนี้ได้แล้วจิตความบริสุทธิ์นี้เป็นอิสระแล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอ ม, ะ ต, ะนอมะตะธรรมแล้วเป็นจิตที่เหนือเป็นธรรมที่เหนือโลกแล้วนว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหเพนเตรมาพูดถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา หลวงปู่เสารหลวงปู่มั่นท่านก็ให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดามันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายพอพุทโธพุทโธคําสองําคคาก็หลุดไปล่ะหายไปล่ะแหมเหมือนกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกมันก็หายไปล่ะท่านบอกว่าน่าจะสำทับ พ, พุทโธเข้าไปด้วยฮะ ก็ผิดไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะว่าอนุสติ10ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อนุสติส10บคืออะไรพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาพาเทวตาอาณาปานสติมารณะนุสติอุปสมานุสติอันนี้หลวงปู่มั่นนามาใช้สองอย่างคืออาณาปานสติกับพุทธานุสติมาบวกกันในสองกรรมฐานให้ยึดสองกรรมฐาน ทีเดียวท่านก็ได้ผลอย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าสมสมัยก่อนเมื่อท่านเรียนจบท่านก็ได้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันหลุดได้ง่ายหลวงปู่มั่นบอกให้บริกรรมพุทธโธสำทับเข้าไปด้วยาการกดบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเดินขวาขาขว า, ขวาพุทขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดกัเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโท มีพุโทโธ ป, ประจํากายของตนเองอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะในกายของตนเองอันนี้คือกรรมาฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนอันนี้เพียงสมถะเท่านั้นอันนี้คือสมถะคือทําจิตใจตะล่มจิตใจให้เข้าสู่ความสงบอย่างเมืองไทยเขาเหมือนกันเทว่าวิปัสสนาเนาะเท่าว่าก้าวเนาะยกเนอเดินหนอ ถ้าจะพูดตามหลักทำคําสอนของแนวทางของหลวงปู่มั่นแล้วอันนั้นเพียงแต่ตะล่อมจิตให้สู่ความสงบอันนั้นเพียงเพียงสมัติคือทําจิตใจให้สงบแต่จะเดินวิปัสนานั้นอย่างที่หลวงตามหาบัวท่านก่อนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพทรุพโทโธพุทโธจิตใจรวมสงบนิง่ง จะนั่งตลอดทั้งคืนก็ได้นั่งตลอดเป็นคืนเป็นคืนไปเลยเดินโยกงมกัอยู่กับพุทโธตลอดเออก็ไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นไงมาหาภาวนาท่านบอกว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบนั่งทั้งคืนก็ได้ครับผม เ, เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็ให้นำนำจิตสงบออกมาพิจารณานะ แตนี้ก็ไปถามอีกเป็นไงมาหาได้นํามาพิจารณาได้อย่างยังครับผมมันไม่ยอมออกคอะพอมันอยู่เข้าสมาธิแล้วมันเนิ่งมันสบายมันอู่มันจมก็ไม่ยอมออกฮะต้องออกนะถ้าไม่ออกไม่ได้มอ น, นั้นเพียงสมั ถ, ถะเท่า น, นั้นเองต้องออกต้องบังคับให้ออกพอถามอีกถึงยังไม่ออกไม่ออกดุเลยทตนี่มันไม่ได้นะจิตจะให้อยู่ในความสงบอย่างนั้นเหรอ สมาธิเพียงแต่เนื้อติดฟันเท่านั้นเองมันจะหาความสุขได้ที่ไหนต้องออกหลวงปู่มั่นบังคับให้หลวงตามาหาบุตรพิจารณาจากนั้นหลวงตาก็เมื่อหลวงปู่มั่นเอาจริงจังท่านก็บังคับเพราะว่าในสมาธินี่มันเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์ออทานอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ห้องแอร์เย็นสบายมีความสุขไม่เดือดร้อนอะไรมีความสุข อันนี้แหะคือความสุขแท้จริงในการบําเพ็ญแต่ที่แท้แหละหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามันเหมือนกับโลนฝนขี้เกียจเขาไปอยู่ในห้องแอร์ต้องบังคับให้ออกแต่บองภาพไม่ออกพรโผลออกมาไปถูกแสงแดดเท่านั้นเองไปดูกแดดถูกฝนถูกอากาศาไปทํางานน่ยมันเหนื่อยเลมันเหนื่อยไม่อยากจะออกไปทํางานอยากจะเข้ามาพักสมาธิอย่างเก่าแต่หลวงปู่มั่นบอกว่า ไม่ออกไปทำงานไม่เห็นผลงานไม่มีผลงานเหมือนกับคนมาตะนอนอยู่ในห้องแอร์จะทำมาค้าขายให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้อย่างไรจะไปมองโรคได้ยังไงจะปกครองคนได้ยังไงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรนี่แหละหลวงปูม่มันบังคับให้ออกหลวงตาท่านก็เมื่อหลวงปูม่มันเอาจริงจังท่านก็บังคับออกออกพิจารณาคนคว้าศึกษาเห็นอเิจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรละก่อน เห็นอสุภะปฏิกูลก่อนพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังค้นดูกายเนี่ยเพราะใจของเรามนุษย์ของเราเนี่ยหลงกายให้ค้นกายให้ดูกายเนี่ยนี่แหละท่านก็พิจารณากายโอ้พอพิจารณากายเท่านั้นอนะ่ะพอจับได้ติดท่านนอนไม่หลับอีกทียมันค้นกายจะลอกมันไม่ต้องออกอยู่อย่างเดียว อเข้าไปกราบลงปูมันเป็นไงล่ะออกแล้วครับโอ้ออกจนนอนนอนนอนไม่ได้เลยครับเพราะแม่คุณจานมันค้นโอ้โหมันมันเห็นคุณเห็นเอเห็นคุณจริงๆว่าเนี่ยตัวเองเป็นนอนตายอยู่ทําไมอยู่ในห้องพอออกมาแล้วจึงรู้ว่าโอ้เออมันสติปัญญาจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเออต้องให้สงบให้ได้นะเมื่อพิจารณาแล้วต้องเอาสงบ บังคับให้สงบให้ได <reco Christ. S 1> ้ให้พักผรให้ได้มันไม่ยอมนะครับมันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละอมันบ้าสังขารแล้วนั่นน่ะมันปรุงแต่งแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่ปัญญาแล้วนะ่นน่ะบ้านสังขารนั่นบังคับให้มันยศให้สงบพอในสุดไม่สงบไปได้นัานละมันบ้าสังขารมันหลงสังขารมันจะเป็นบ้าได้น่ะเอาสิจะไปออกนอกลูนอกทางนั่นน่ะตรงตาโหเอาอีกทั้งๆเลยบังคับให้ สู่ความสงบให้ได้เนี่แหละคือการภาวนาและการปฏิบัติสมถะคือทําจิตใจให้สงบวิปัสนาคือกันกลองไตรตรองเหตุและผลทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันสมัถิสมถัสมถิและวิปัสนาต้องคู่กันไปเหมืมอนกับเราไปทํางานพอทํางานเสร็จแล้วก็ต้องมาพักผ่อนทานอาหารแล้วก็พักผ่อนพอพักผ่อนไปทํางาน ออกนักหน้างานทํางา น, งานพอทํางานเสร็จแล้วเหน็ดเหนื่อยแล้วก็กลับมาพักผ่อนพักผ่อนแ ล, ล้วก็ทำงานอันนี้คือการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็คือแนวแถวหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนและสมถัติธรรมยังไงสมัติธรรก็คือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพทรุทโธเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธบังคับจิตใจให้อยู่กับพทุทโธและตั้งจิตอธิฐานให้แน่วแน่อต่างหาก ข้าพเจ้าจะอยู่กับพุทโธตลอดจะไม่ให้เผลอไปที่ไหนอยู่ที่ปลายจมูกของข้าพเจ้านั่งกัดสมาธิเสร็จแล้วพอเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่ให้เผลอไปที่ไหนใจของเราก็จะรวมสงบแต่พวกเราเป็นสาวกสาวกการเวลาจิตสงบเข้าไปมันจะวับเย็นสบายในระดับหนึ่งอันนี้เราว่าคณิกะสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิ คณิกะเบื้องต้นต่อไปเราก็พยายามเราไม่ต้องพูดถึงเลยสิมันสมบมันรวมมันสงบยังไงไม่ต้องตามมันอีกจบแล้วก็คือจบไปเป็นอดีตไปแล้วไม่อย่าไปใส่ใจมันสุกไม่สุกมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนกับเราทานอาหารที่อริตร่อยเมื่อวานมันก่อนมาทานไปแล้วจะไปลำรี่ลำไรลำพึงลำพันกับอาหารที่่านทานไปมันไม่เกิดประโยชน์อวันนี้ทานอาหารอะไรที่จะมันก็อร่อยเราต้องคิดหาใหม่ เออเก็ต้องทําใหม่เออทั้งอร่อยไม่อร่อยยังไงแล้วก็ต้องทานอนี่แหละแต่ที้เราพยายามทาจิตใจให้เหนือกว่านั้นอีกต่อไปเนี่เมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งคราวนี้จะเป็นไม่เหมือนแต่ก่อนขราวก่อนมันแวบเข้ามาเย็นสบายแต่คราวที่2อนี้สติกับจิตนี่เป็นจะเป็นลักษณะควบคุมกัน เ, เหมือนกับ เราขึ้นไปจับพวงมาลัยรถจะให้รถไปทางไหนลักษณะอย่างนั้นะสติกับจิตควบคุมกันจะไปทางไหนเดินไปยังไงสติกับจิตควบคุมกันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะทำงานอะไรจะคิดอะไรจะพิจารณาอะไรอย่างนีน้สติกับจิตคุมดูเหตุการณ์อยู่ในตัวของเรารู้หมดการเคลื่อนไหวการพูดการชนทนาพาธีก็มีสติสัมปชัญญะ ในตัวเองอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิใจอยู่ในคอนโทนใจอยู่ในระบบใจอยู่ในความของสมาธิใจอยู่ในสติที่ควบคุมอยู่อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่เราพยายามทำจิตดูจิตใจของเราเอ่อมันจะสงบลงไปอีกบางคนก็เหมือนกับตกเหวตกบ่ออย่างรุนแรงแต่มันสงบลงไปอย่างมาก เมื่อจิตสงบจุดนี้เนี่ว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่พอจิตสงบวูบพลงไปอย่างนั้นแหละสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งจะมองไม่เห็นกายไม่รู้กายจิตตัวงนี้จะไม่รับรู้ทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายใจเป็นอิสระเอง ใจอยู่ในความสงบนิ่งเสียงฟ้าตกฝนตกฟ้าร้องเสียงรถเสียงราเสียงคู่คนอะไรก็ตามจะไม่ได้ยินเพราะว่าใจตรงนั้นไม่รับรู้ทางกายไม่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นใจเป็นอิสระใจนิ่งอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่บางคนก็อยู่ได้นานบางคนก็อยู่ไม่ได้นานสุดแท้แต่สมาธิการฝึกแต่เบื้องต้น จากนั้นเมื่อถอนออกมาเราก็รู้แก่ใจว่าโอ้เมื่อกี้นี่ใจของเราเข้าสู่ความสงบเห็นได้ชัดเลยไม่หลงไม่ใช่ว่ลหลับไปไม่ใช่เรารู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดในตัวเองเลยเออเกิดแลวเกิดตายตายแล้วเกิดร่างกายนี่ตายตายแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆเอาไปฝังดินทิ้งแน่ๆแต่น้ำมัทธิมคือจิตใจตัวสงบตัวนี้แหละ ใจแบบจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครนี่แหละสมาธิจุดนี้แหละ เ, เพียงแต่ว่าสมาธิจุดนี้ทนะ่านรู้ได้เองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะว่าน้ำธรรมใจดวงนี้นะเน่ยเห็นได้ชัดในความรู้สึกเนี่ยจากนั้นใจของเราก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นก็ถอนมาเป็นจิตธรรมดา นี่แล้วสมาธิมีอยู่สามขั้นคั้นี้กะอุปจาระอั ป, ปนานี่แหละเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วออผ่านความสงบเมื่อเราเคยพยายามมีความตั้งใจมีความใส่ใจเมื่อเรานั่งสมาธิอันดับแรกมันจะไม่เข้าไม่เข้าสมาธิไม่ได้ต่อมาเราพยายามพอเข้าเป็นอุปจาระสมาธิในเมื่อ อุปจารสมาธิไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ขึ้นขั้นอุปจารสมาธิเราจะพิจารณาแยกกายของเราเลยเลยก็ได้ถึงนี่ยแหะนําเป็นวิปัสนาแล้วถนะึวิปัสนาก็คือวิปัสสนึกนึกคิดปรุงแต่งแต่ว่าจิตที่มันผ่านความสงบแล้วจิตที่ผ่านสมาธิแล้วเป็นจิตใจที่ควรแก่การงานเป็นให้ว่าให้ทําอะไรทํา มันไม่ทะเลทลายเหมือนสมัยก่อนไว้สมัยก่อนจิตของเราไม่ได้ผ่านความสงบนั้นเหมือนกับเด็กทํางานอ่อแแอ่ไปเรื่อยลุดไปเรื่อยทำมันก็ทะเลทไลายไปเรื่อยมันไม่จริงจังแต่คราวนี้เหมือนกับผู้ใหญ่ทํางานมุกทํางานเพิ่มมุ่งหวังผลของงานทําสมาธิพอจิตใจเข้าสู่ความสงบในเป็นอุปจารสมาธิในพระอุปจารสมาธิเขาจาระไปว่าไปไปว่ารู้เห็น แล้วก็นำจิตที่เป็นอุปจาระที่มีสติคมุมขุมใจตรงนั้นอยู่ให้ใจในความรู้สึกของเราพิจารณาพิจารณาอะไรคือพิจารณาขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารหรือพิจารณากายเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือจะแยกส่วนแบ่งส่วนมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหวัวใจตบผังตดแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปเป็นคนละกองเป็นคนละสัดส่วน กายของเราเป็นของเราใจไม่ใจเนี่ยใจที่ผ่านความผ่านสมาธิมาแล้วจะรู้ได้ชัดเลยว่านี่กายมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะอในเมื่อเราผ่านสมาธิที่อัปปนาสมาธิกายกับใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนันเห็นได้ชัดเลยในเมื่อ น, นําใจที่เป็นสมาธิจุดนั้นละ่ะเ อ, อมาเปรียบเทียบกับกายกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวคนอีกสักวันหนึ่งนะทิ้งนะใจนะ อีกสักวันหนึ่งเผาไฟทิ้งนะสู่ดินน้ำลมไฟนะใจนะใจสอนใจใจรู้เท่าทันใจใจไม่ไม่หลงกายใจไม่หลงใจนี่แหละชุดนี้เป็นชุดที่มีชุดที่ผ่านสมาธิมาแล้วสติของเราจะเต็มไปด้วยมหาสติมหาปัญญาน่ะิมันมันถึงจุดนี้นถึงจะไม่มเป็นมหา เ, าเียวเออเป็นผู้มีสติ สติสัมปชัญญะสติปัญญาที่สมบูรณ์มองเห็นเขามองเรามองเรามองเขาเราหลงอะไรหลงในโลกหลงกายใช่ไหมเมื่อหลงกายแล้วก็หลงคนอื่นหลงพี่หลงน้องหลงสามีภรรยาหลงลูกหลงหลานหลงวัดวาศาสนาว่าเป็นของเราใช่ไหมใจถ้ากายของขนาดกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราจะเผาไปทิ้งอยู่แล้วเราจะไปหลงทำไมในสิ่งภายนอกเหล่านั้นใช่ไหมใจ สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้พิจารณาการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้ว น, ะนี่แหละจากนั้นเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจใจก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นเพราะใจของเราก็มันไม่เที่ยงมันเห็นอันใดจางทุกขังบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจดีใจเสียใจเศร้าหมองผ่องใสยอยู่ในใจิตในใจ ใจของเราก็ไม่มาตรฐานไม่สแตนดาร์ดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองเข้ามาหาใจอีกมามองมาหาตัวผู้รู้อีกปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละแนวแถวของหลวงปู่มั่นในท่านไม่ให้พิจารณาพุทโธอย่างเดียวนะใกล้ๆเป็นบาตรเป็นบาตฐานที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาเป็นบาตแรกก็คือสมสถะที่ทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานก่อนในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบ เป็นพื้นฐานแล้วเดินไิปัสนาพิจารณาแยกแยะดูกายดูใจดูใจดูกายอะไรเป็นมันหลงใจเป็นหลงเขาใจไปหลงจริงทั้งหลายทั้งมวลในเมื่อปล่อยวางเขาปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจตะกอนใจโง่มันโง่มันไม่รู้อวิชชาครอบครอบงําแต่บัดนี้มันรู้แล้วอันไหนเป็นอันไหนด้วยทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางนํามาปฏิบัติ ปรับปรุงใจของตนเองใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเป็นอีกมิติหนึ่งนี่ว่ า, เ, าเมื่อปล่อยวางจุดนี้แล้วก็นั่นแหละนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เข้าตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านพาดาเนินมาแนะแนวมาปฏิบัติมานี่แหละ ในหลวงพ่อก็ได้พูดให้กับกลุ่มผู้ที่เข้ามาถามหลวงพ่อบอกว่ากิเลส ท, ทำความบริสุทธิ์ออกมาจากในไม่ออกมาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใจที่มีกิเลสจิตใจที่มีบริสุทธิ์ออกมาจากใจที่มีกิเลสแต่เมื่อมีออกมาจากออกมาจาก ที่มีกิเลสแล้วจะกลับเข้าไปหากิเลสอีกไม่ได้เนะะี่ยเหมือนกับน้ํามันมะพร้าวอ่ามันมะพร้าวเข้ามากันกองด้วยกะทิเนีใส่กระทะแล้วกันกองกะทิต้มกะทิต้มเคี่ยวกะทิแล้วเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วจะเอาน้ํามันมะพร้าวที่มันออกมาจากขุยมะพร้าวที่เราคั้นแต่ท uh ี่แรกเน่ยเอาไปขยำเข้ากันอีกมันเข้าไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันเป็นอีกระบบหนึ่งมิติหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งน้ํามันมะพร้าว กับขุยมะพร้าวแต่ตามจริงมันออกมาจากขุยมะพร้าวนะนนี้ก็เหมือนกันธรรมมันออกมาจากกิเลสออกมาจากใจที่เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะแต่ปัจบันนี้เราชําระด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาต้มเคี่ยวแล้วเ อ, อน้ํามันมะพร้าวใสออกมาแล้วเ อ, อเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วนี่แหละจะเข้ากันไม่ได้กับตัวกิเลสกิเลสก็คือกิเลสแต่ก็ไม่ได้เออ สังหารกันเป็นทัวโวร์เอ่ยเหมือนกับเราสมัยเราเราเป็นสมัยเราไม่รู้แต่ก่อนเราไม่ได้เรียนหนังสือแต่ป่านี้เรารู้แล้วว่า น, น, นเราที่รู้แล้วว่าที่สิ่งที่ไม่รู้นะ่นคืออะไรเนะี่ยเรารู้แล้วเราก็ไม่จะไปสังหารจะไปดา่าความโ ง, โง่ตัวนั้นได้ยังไงก็รู้แล้วกรนะจเนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราพักเณรลูกหลานทุกคนนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นพาดําเนินแต่สายอื่นละ่ะสายอื่นก็ถูกท่านภาวนาท่านก็ถูกเราไม่ได้ว่าเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่ทั้งสี่สอย่างเราจะไปยึดอันไหนก็ได้แต่นี้หลงปู่มัน่นท่านพาดําเนินมาท่านถ้าเปรียบเทียบก็วิชาในโลกนั้นมีมากมากหลากหลายวิชาในโลกหาเงินวิธีหาเงินทาํามาค้าขายกว่าชาย ขายของจำก็ใช่ขายโต๊ะเก้าอี้ก็ใช่ขายน้ำมันก็ใช่เออแต่หลวงปู่มันเนี่ยท่านถ้าจะเปรียบเทียบเออท่านเป็นชาวนาทำนาอย่างนี้นะลูกหลานนะเมื่อได้ข้าวมาถึงจะไม่ได้ขายก็ได้กินสำหรับตนเองเออจากนั้นก็ได้ขายเออทำาือทขยันมาก็ได้ขายออพอได้ขายก็ได้เงินนะเอ อ, เ อ, อได้เงินนี่หลวงปู่มันท่านสอนวิธีการของท่านแต่วิธีอื่นน่ะ วิธีปลูกมันจสำปะหลังวิธีปลูกยางพาราหลวงปู่มั่นไม่ได้สอนท่านสอนในเรื่องนี้ในเมื่อเราเป็นลูกฉีดหลวงปู่มั่นเราก็ศึกษาแนวแถวหลวงปู่มั่นพาดําเนินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพาดําเนินเดินมาอย่างไรเราปฏิบัติตั้งอย่างนั้นไม่ใช่วสายอื่นมาไปปลูกยางกระโดดไปปลูกยางกับเขาคนหนึ่งโอ้ยปลูกยางสู้ปลูกมันสำปะหลังมเนกระโดดไปปลูกมันสำปะหลังกระโดดไปปลูกข้าวโพด ผลที่สู่ก็เลยไปปลูกถั่วดินไปปลูกถั่วที่สงไปปลูกขิงปลูกขา อ, อกว่าที่จะได้เงินมาตายก่อนเลยทีเพราะเหตุหอะไรเพราะกระโดดไปกระโดดมาแต่ตามจริงหลวงปู่มั่นท่านสอนให้แล้วเนี่ยพิธีปลูกอย่างนี้นะเราก็เดินตามสายนี่เราก็เชื่อมั่นในปฏิปทาของท่านด้วยเชื่อมั่นในองค์ผู้พาหน้ำด้วยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเมื่อท่านจากไปมรณะภาพไปกระดูกของท่านได้ไป ได้เป็นพระาธาตุให้พวกเราได้เห็นประจักษ์พยานแสดงว่ากระดูกของพระอรหันต์นี่แหละพวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะเชื่อถือได้น่าจะเคารพนับถือเลื่อมใสในแนวปฏิปทาของท่านได้ให้ยึดตามแนวแถวนี้นสายอื่นจะยึดก็ได้แต่กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมีแต่เปล่าประโยชน์พอไปกระโดดไปปลูกมันมันก็ไม่ขึ้นใะตายเจ๊งอีกต่างหากไปปลูกย่าง ขบขวดที่จะใหญ่ขึ้นมาตายเจ๊งอีต่างหากผลที่สุกเลยไม่ได้อะไรนี่แหละถ้ายึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนให้ภาวนาพุทโธนะยาเผลอน่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่เลยอธิษฐานคือตั้งใจมั่นอย่าให้มันทะเลถลายให้ตั้งใจให้มั่นกับพุทโธกําหนดลมหายใจเข้าออกนะนั่งหรือซิมันกี่ชั่วโมงสามสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงด้วทําวันว่างๆจากวันได้ยังฝนตก ไปนี่ก็เป็นนั่งเลยทดลองเลยสิเออออกมาสักสองสามสีห้าชั่วโมงเป็นยังไงนี่แหละถ้าเราทํามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นความสําเร็จประสบความสําเร็จสําเร็จสมความมุ่ง ม, มั่นทับปารถนาก็อยู่แค่เอื้อมเหมือนกันนะลุกหลานนะต่อเ น, นี้ไปรับพรอนุโมทนาให้คน